ลำดับที่หนึ่งคติธรรมก่อนฟังธรรมชาดกแผ่นที่สิอโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคําน้อยจังหวัดอุดรธานีคติธรรมก่อนฟังธรรมชาดกแผ่นที่ 11, ออทสิาาอให้คติธรรมว่าปัญญานิกริยาทะสุขขาวะหานิควรทําบุญเพราะ บุญนำสุขมาให้นี้ให้พวกเราทำความดีคาว่าบุญคือความทำความดีการทำความดีกับคู่คนการสงเคราะห์อนุเคราะห์กับคู่คนการช่วยเหลือชุมชนสังคมคู่คนจะนำสุขมาให้กับพวกเราอันนี้คือบุญบุญคือความสุขถ้าว่าเราเกื้อกูลหนุนเขาเขาก็จะต้องมาช่วยเราเพราะนั้น ในการการทำบุญบุญญานิปัลโล ก, กัดสมิงปฏิฐาโหนติปานิหนังแต่นีนลือคือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกน่าโลกนี้ถ้าคนมีบุญทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติไปนสถานที่ใดคนทั้งหลายก็มีแต่ความยกย่องเชิดชูบูชาให้อานวยความสะดวกให้กับผู้ที่ สงเคราะห์อนุเคราะห์กับชุมชนสังคมเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายเป็นผู้ทําบุญตามอัตภาพไม่ใช่ว่าจะเดือดทําให้ตนเองเดือดร้อนมีอะไรกระทําทั้งหมดก็ไม่ใช่จะไม่มีการแบ่งปันเฉลยอ น, นั้นไม่ถูกต้อง เ, อเราต้องเฉลยเผื่อแผ่ในเมื่ อ, เ, อเรามีข้าว อ, าอยู่ในมืออ า, อาหารอยู่ในมื อ, เ, อเราก็ยังช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์ทําบุญ ในเมื่อทําบุญแล้วมันสบายใจอย่างพระอรหันต์ท่านพระสารีบุตรที่ท่านทําบุญมาพิจารณาดูแล้วนะท่านสงเคราะห์อนุเคราะห์เนี่คือท่านสงเคราะห์ไปแล้วท่านก็ไม่มีอะไรเสียหายท่านก็หิวบ้างนิดกน้อยสมัยหนึ่งพระท่านสารีบุตรท่านไปบินทบาทพอไปฉันอาหารบินทบาทมาแล้วนะ่ะพอไปเห็นหมาหมามันกําลังจะ ก, กินลูกของมันเออ ที่ท่านก็เห็นหามอามันแม่มันหิวท่านโอ้เพื่อสงเคราะห์อย่างน้อยก็ให้แม่มันได้กินอาหารเพื่อประทังชีวิตของมันเพื่อไม่ให้มันกินโรคท่านก็เอามือล้วงคอของท่านท่านก็อาเจียนออกมาหมาตัว น, นั้นก็เลยมากินมากินอาหารที่ท่านได้กินอาหารที่ท่านล้วงคอออกมาเนี่แหละการสงเคราะห์ของผู้มีธรรม ถึงท่านท่านก็คงไม่หิวท่านก็ไม่ถึงกับเสียชีวิตแต่ท่านสงเคราะห์ลูกหมาเนี่แหละนี่แหละทําคําสอนที่หลวงพ่อเองในอ่านในพระไตรปิฎกหลวงพ่อซึ้งมากในการสงเคราะห์ผู้มีธรรมต่อสปปรรพสัตว์ทั้งหลายรานขอให้พวกเราถึงจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าการสงเคราะห์อนุเคราะห์ก็ควรจะมีต่อผู้ผู้ที่ด้อยกว่าเราเราก็ควรสงเคราะห์ดูแล เขาบ้างนะถ้าพอเราพเป็นพอไปพอเป็นเราเราไม่เดือดร้อนเราก็ควรจะสงเคราะห์ถ้าผู้พวกเราอยู่ด้วยกันมากน้อยคนในประเทศชาติบ้านเมืองถ้ามีการสงเคราะห์อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวการอยู่มากน้อยขนาดไหนก็จะร่มเย็นเป็นสุขในในยุคนั้นการกล่าว mp 3แผ่นที่11 ที่เป็นชาดกขอให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังชาดกเป็นเครื่องย้ำกล่าวเตือนเป็นประวัติศาสตร์ให้พวกเราบางทีอาจจะเป็นกติธรรมสำหรับให้พวกเราได้ศึกษาแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติในชาดกนั้นก็เป็นกระจกเงาสำหรับพวกเราเดินตามด้วยอำนาจคุณพระสีรัตนตรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพ บุญบา ร, รมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์บุญบา ร, รมีพุทธชาดกที่เราได้ศึกษาเนี่ยขอให้มาคุ้มครองพวกเราจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปาถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมข อ, ขอให้สมหวังดังปาถนาทุกท่านทุกคนด้วยเทิญ